ูใบพรูปเปรี้ยวเลยนะลองทาก็ดูก็ได้ใบพรูปเปรี้ยวทันทีจากเผ็ดนี่อันดับหนึ่งจะผสมได้เนะี่ยเอา้าหนูทบสมาธิให้ได้อีกสองรอยครั้งพอได้สองครั้งด้วยการนับแล้วก็เพ่งที่ใบพรูใบพรูหวานเลยถ้าหวานนี่มงทุเรียนได้เลยมงทุเรียนได้เลยลองดูเดี๋ยวพวกนี้จะเอาใบพรูให้กินแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อทุเรียนมาสักหน่อยมงเลยสบายมาก เหมือนโดนลูกหมอนเหมือนโดนหมอนเนี่ยนี่เขาเรียกลูกเบาชาตรีของใายของหลวงพ่อสุขมุมนรีขาวเท่าใครมีอย่างนี้นี่ที่องค์นี้เป็นตำราแต่ไม่ให้เรียนแล้วไม่ให้เรียนแล้วเลิกไม่เอานี่ใบพลูอัตามาดูทีวีอ๋อทหารนี่เองตำร า, าที่แล้วลงสองตัวลงอัคระสองตัวในใบพลูท่อหลอท่อหลอ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 ล่ำเลือกันมากมายตมาเห็นว่าจะอยู่ไม่ได้ห่หรอกผีวัดดู้ม า, ากถ้าอะไรไอน้นมนมมาเนี่ น, นั่นแหละกระ ถ, า, ถาไม่มีแล้วนี่หน้ามาเนี่ยสาวม่อมาลูกนึงเดี๋ยวกูจะเรียกผีเข้าหมอทวงมแม่พระกลางนา น, นั่นแหละเอาไปฟ้ามาดมาบอกนหนึ่งนั่นแหละผีดุนะตมาเขาจะวอนออกเลยนมนมเฮ้ ย, ย, ย, ยมึงขึ้นออกหน้าวะกูอยู่หลังเอ้าหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ไ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 หรือกลัวหนอกลัวหนอกลัวหนอตั้งสติไว้จิตมันก็ยึดมัดสติดีไปไหนไปได้ไม่เป็นไรถ้ากลัวอย่าไปนะกลัวอย่าไปนะอะไรมันเจียวจ้าขึ้นมาก็ตกอกต ก, ต ก, ต ก, ต ก, ตกใจผีซ้ำดำพลอยไปเลยนะแท้จริงนะไม่ได้เป็นเช่นนั้นไอ้เราพาภาวนากถาต้องการให้มีสตีต้องการให้มีสัมปชัญญะต้องการไม ah h, ่ให ah ้ละมา ah ดต้องการให้จิตตื่นเต้น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 ด้วยการทุกๆโูกทุกนามและโอกาสบัตรนี้เทิน<า>นมาส ก, การพระเทหลานุเทละครูบาอาจารย์ทุกลูกละขอเจริญสุขนวาวกะธรรมทายาทุกลูกและขอเจริญพรท่านวิทยากรคุณโยมผู้เป็นเมียกรประจำ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 อาจจะไม่รู้เหตุผลข้อแท็จริงของในชีวิตของเราที่เกิดมาในสากภพเราจะได้รับอบรมจากพระอุปบชานั่นบอกว่าปิตโฉมนุสสะปฏิลาภโอของหายากยอย่างยิ่งมีอสี่ประการเราก็หายากแต่ผู้ที่บวชนั่นครบสี่ประการมีความหมายอย่างนั้นคำว่าปิติโฉมนุสสะปฏิลาภโอเกินการเกิดเป็นมนุษย์ยากมาก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 มีความหมายอย่างนี้แต่บางคนไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยอ๋อเจริญพอรอย่างนั้นบางคนก็เกิดมาเป็นมนุษย์เสียเปล่าไม่เข้าท่าแต่ทําความเป็นมนุษย์ให้ผิดแผกแตกแยงไปนี่แหละพี่น้องทั้งหลายเ อ, อ๋ยคนเราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันอาการสามสิบองด้วยกันทั้งนั้นแผกหญิงชายแยกออกไปเป็นหญิงหรือเป็นชายชท่านั้น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 ผู้ขับไปชาสั่งไม่วไปกดแห่งกรรมบางแห่งอาตมาเห็นเนี่ยมั่ววานี่มาร้องไห้บอกน้องพ่อช่วยลดระมัดถดทำไมเขาจะสอบสวนผมแล้วแหมผมเสียใจยทั้งผัวเมียร้องไห้โศกภาคลองโศ ก, การหนาเวทนายิ่งทำตามผู้ขับชาผู้ขับชาให้เขียนและให้ทำอย่างดีแล้วก็เอาของไปแจกอย่างนี้เอาไปยัดอย่างนี้ไปทำอย่างน้ นายทีสดก็กลายเป็นผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการผมก็รู้ครับหัวข้อว่าผิดแต่ที่ทำนั่นผู้ว่าประชาสั่งสั่งให้ทานี่โปรดจาไว้ด้วยเป็นประสบการณ์เลยก็ทาตามภู้ว่าชาสั่งสรุปออกมาว่าผิดสอบสวนกันไปสอบสวนกันมาผู้ว่าปรชาก็โดดออกไปใช่ไมไม่ช่วยลูกน้องเลยไม่ช่วยแล้วลูกน้องจะไปซัดก็ไม่ได้ลาบากใจ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 แล้วผู้ใหญ่ไม่ช่วยผู้น้อยเลยนี่เห็นไหมเอาดีดตัวออกไปเลยเหมือนเครื่องบินจะตกเลยดีดออกไปแต่ผู้เดียวเปิดเ ป, ดเปดโดดล่มไปเลยเดีดออกไปเสียแล้ว ก, ก็เราก็ต้องตายตกเครื่องบินตายอย่างนี้แน่นอนเขาดีดตัวเขาออกนาย่สุดใครเจะไปเชื่อเราเขาก็ต้องเชื่อผู้บังค้บบัญชาผู้บังคัาบัญชาก็ซัดตูมเข้าไปอีก บอกไม่รับสะนี่ต้องโดนไล่ออกแล้วขนานี้โดนสอบสวนแต่จะไม่ออกชื่อวกะซูงไหนต้องโดนไล่ออกแน่นอนอาตมาคิดแนวกว่าน่ า, นาสงสารเขาบอกอย่างนี้เธอไปสวดมนต์พาหุมา ก, กานั่งเจริญกรรมฐ า, านเข้าอย่าร้องไห้เลยบันเวนกรรมของเราที่ทำไว้มาจากปางก่อนสู้ทนไปเถอะทาใจสบายยอมรับกรรมเสีย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 แล้วรีบมาเนี่ยเห็นไหมนี่ผูดถึงเผาศพเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันโยมนี่จะต้องตายลู้ล่วงนาสะด้วยจะต้องตายในวันไหนป่วยไม่กี่วันไปโลกเมเร็งเห็นไหเนี่ยเห็นชัดที่ตับกินหมดเลยต่มาไปเยี่ยมสองครั้งดีอกดีใจใจแข็งมากสติดีก็เห็นจะรอลูกสาวที่จะประเทศญี่ปุ่น มาถึงวันนี้ปรุงนี้ตายท่านที่